ช่วงวิกฤตโควิด -19 n e t ทำให้หลายๆคนบ่นเครียดกันมากวันนี้จึงอยากจะเสนอการคลายความเครียดด้วยตัวเองบนเก้าอี้หรือบนเตียงในเวลาสั้นๆแต่ได้ผลค่อนข้างดีนั่นก็คือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือที่เรียกว่า progressive muscle relaxation โดยเราจะค่อยๆเกรงและผ่อนคลายกล้ามเนื้อทิละมัด ไล่ไปตั้งแต่ศีษะจะรดเท้าหรือจะไล่าจากเท้าขึ้นบนศีษะก็ได้สามารถทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและเมื่อฝึกจนชำนาญคุณก็จะสามารถรับรู้ถึงความเครียดที่เกิดจากความเกรงตัวของกล้ามเนื้อได้ง่ายและไหวขึ้นด้วยข้อแนะนําสาหรับการฝึก การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อจะต้องเกรงกล้ามเนื้อแต่ละส่วนแต่จะไม่เกรงจนเกิดความเจ็บปวดเริ่มต้นนั่งหรือนอนในท่าที่สบายและผ่อนคลายค่อยคหลับตาลงเบาๆหายใจออกแล้วค่อยๆหายใจเข้ายาวๆวช้าช้าจนลมเข้าเต็มปอด กลั้นลมหายใจไว้สักครู่สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนับหนึ่งสองสแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นหายใจเข้าช้าๆอีกครั้งเมื่อรู้สึกว่าลมเต็มปอดแล้วกลั้นหายใจสักครู่สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนับหนึ่งสอง 3. แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าช้าสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นให้ทำความรู้สึกที่บริเวณใบหน้าหน้าผากรอบดวงตาริมฝีปากหายใจเข้าพร้อมกับเกรงบริเวณใบหน้าให้แรงได้มากพอที่จะทนได้ก้านลมหายใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนับหนึ่ง 2 3แล้วหายใจออกพร้อมกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อมาให้ทําความรู้สึกที่บริเวณปากหายใจเข้าพร้อมกับยิ้มให้กว้างที่สุดกลั้นลมหายใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนับหนึ่งสองสแล้วหายใจออก พร้อมกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณปากสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อมาให้ทำความรู้สึกไว้ที่บริเวณคอหายใจเข้าพร้อมกับเงยหน้าขึ้นจนตึงบริเวณต้นคอกลั้นลมหายใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนับ1 2 3แล้วหายใจออกพร้อมกับตั้งคอให้ตรง สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นหายใจเข้าพร้อมกับก้มหน้าลงจนตึงบริเวณต้นคอกลั้นลมหายใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนับหนึ่งสองสแล้วหายใจออกพร้อมกับตั้งคอให้ตรงสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้น หายใจเข้าพร้อมกับยกไหล่ทั้งสองข้างจนตึงบริเวณบ่าและไหล่กลั้นลมหายใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนับหนึ่งสองสามแล้วหายใจออกพร้อมกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ่าไหล่ช้าๆสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นพักสักครู่สังเกตลมหายใจออกช้าๆยาว หายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆยาวๆสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อมาทำความรู้สึกที่บริเวณฝ่ามือทั้งสองข้างหายใจเข้าพร้อมกับกำมือเข้าจนแน่นกลั้นลมหายใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนับหนึ่งสองสาม แล้วหายใจออกพร้อมกับผ่อนคลายฝ่ามือทั้งสองข้างสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นทำความรู้สึกที่บริเวณแขนทั้งสองข้างหายใจเข้าช้าช้าพร้อมกับเกรงแขนทั้งสองข้างกลั้นลมหายใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนับหนึ่งสอง 3แล้วหายใจออกพร้อมกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่แขนทั้งสองข้างสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นทำความรู้สึกที่บริเวณลำตัวหายใจเข้าช้าๆแล้วเกรงลำตัวกลั้นลมหายใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนับหนึ่ ง, งแล้วหายใจออกพร้อมกับผ่อนคลายลำตัว สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นทำความรู้สึกที่บริเวณ ม, เาา ม, เมือทั้งสองข้างหายใจเข้าช้าๆพร้อมกับเกรงมือทั้งสองข้างกลั้นลมหายใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนับ1 2 3แล้วหายใจออกพร้อมกับผ่อนคลายมือทั้งสองข้างสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้น พักหายใจออกช้าๆหายใจเข้ายาวๆสองสามลมหายใจแล้วจึงทำความรู้สึกที่บริเวณขาทั้งสองข้างหายใจเข้าช้าๆพร้อมกับเกรงขาทั้งสองข้างกลั้นลมหายใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนับหนึ่งสอง 3. แล้วหายใจออกพร้อมกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ขาทั้งสองข้างสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นสังเกตรบริเวณฝ่าเท้าหายใจเข้าช้าช้าพร้อมกับเกรงฝ่าเท้าทั้งสองข้างกลันลมหายใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้น นับหนึ่ง ส, งสแล้วหายใจออกพร้อมกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณฝ่าเท้าทั้งสองข้างสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆหายใจเข้ายาวๆช้าๆจนลมเข้าเต็มปอดกลั้นลมหายใจไวสักครู่สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนับหนึ่ง 2 3 ส, สแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วเริ่มต้นทำใหม่อีกครั้งทำซ้ำอีก1ถึงสองครั้งหรือจนกว่าจะรู้สึกผ่อนคลายมันฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกวันก็จะช่วยให้คุณบรรเทาความเครียดลงได้ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ